สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองรอยยี่สิบเก้าเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่สี่วจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่หกข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบสามซึ่งเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูขอให้พี่น้องเราได้ท่องพร้อมกันนะครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลาย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 แต่ขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้ค้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอานาจฤทธิเดชและพระลิเป็นของพระองค์สืบสืบไ ป, ปเป็นนิดอาเมนที่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะนำคำอธิษฐานส่วนตัวของบางคนนะครับที่เขาอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูและเขาได้ไขครวนเป็นคำอธิษฐานของตัวเองที่มี ต่อพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองขอให้พระนามของพระองค์บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของข้าพระองค์ให้ข้าพระรงค์กราบไหว้น้ำรสการพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียวขอให้แผ่นดินของพระองค์และราชสำนาจของพระองค์ปกครองชีวิตของข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์ยกย่องพระองค์เป็นที่หนึ่งเป็นเอกเป็นใหญ่ในชีวิตของข้าพรงค์ ขอให้น้ำพระทัยของพระองค์ได้สําเร็จในชีวิตของข้าพงษ์ควบคุมข้าพงไว้ให้อยู่ในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ขอให้อํานาจอธิปไตยที่พระองค์ทรงมีอยู่นั้นในแผ่นดินโลกเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกเช่นเดียวกับที่เป็นไปในสวรรค์แล้วขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพงษ์สำหรับความจําเป็นในวันนี้ขอประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ขอความคิดสติปัญญาที่สดชื่นแจ่มใสขอสิ่ตงต่างๆที่เป็นสิ่งจําเป็นกับชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ขอปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายขอทรงโปรดยกความผิดความบาปของข้าพระองค์เหมือนที่ข้าพระองค์ยกความผิดความบาปให้กับคนอื่นขอทรงโปรดยกหนี้ของข้าพระองค์เหมือนกับที่ข้าพระองค์ยกหนี้แก่ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์นั้น ขอโปรดอย่านำข้าพรองค์เข้าไปในการทดลองแต่ถ้าหากเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจะเป็นการอนุญาตให้ข้าพรองค์เข้าไปสู่กับดักขอให้ข้าพรองค์ที่จะไม่ล้มลงและขอให้ข้าพรองค์ที่จะเอาชนะการทดลองนี้ด้วยกําลังที่มาจากพระองค์ขอทรงปกป้องข้าพรองค์ให้พ้นจากซึ่งตัวร้ายให้พ้นจากผีมารซาตานยืนยันชั่วนี่มันจะเข้ามาคุก ค, คามส่งอิทธิพลต่อความคิดความรู้รสึก อารมณ์ของข้าพระองขอให้แผ่นดินของ ป, ก, ปกครองในชีวิตของข้าพระองขอฤทธเดชของพระองค์ซึ่งทําทุกสิ่งได้นั้นแด้พรสิริของพระองค์ที่มีอยู่เนื้อสรรพสิ่งต่างๆนั้นให้ข้าพระองได้ประจักษ์ให้ข้าพระอง์ได้เห็นและให้สิ่งต่างที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้นั้นสําเร็จในชีวิตของข้าพระองเพื่อพระเกียรติพรสิริจะเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิรันดร์อมน พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันหลายเรื่องที่สําคัญนะครับเรื่องแรกที่สําคัญก็คือว่าการอธิษฐานของเรานั้นมีอยู่สามระดับด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการอธิษฐานคําอธิษฐานของพระเยซูที่เราฝึกอธิษฐานมาหลายวันนี้ก็จะมีสามระดับด้วยเช่นเดียวกันปกติแล้วคําอธิษฐานของเรานะครับระดับแรกก็คือระดับริมฝีป่ากนั่นหมายความว่าเรากล่าว คำอธิษฐานคำร้องทูลคำวิงวอนผ่านทางลมครับลมหรือริมฝี ป, ปากที่ผ่านออกมาไม่ว่าจะพูดค่อยๆก็ดีหรือพูดเสียงดังก็ดีนะครับระดับการอธิษฐานที่ริมฝี ป, ปากนั้นจะจดจ่อที่ความคิดและร่างกายระดับที่สองครับระดับของความคิดเมื่อเราอธิษฐานนะครับระหว่างขายของ ขณะทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับเรื่องอื่นๆ น, นั่นหมายความว่าเมื่อเราอธิษฐานนั้นเราไข้ควรนะครับเราใคร่คว ร, นะครเรครควรมื่อเราอาธิษฐานระหว่างที่ทํางานนะครับระหว่างที่กําลังทําบางสิ่งบางอย่างอยู่เราต้องหยุดนิ่งแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นระดับความคิดนั้นจะเป็นระดับโฟกัสอยู่ที่ ความคิดจริงๆครับไม่ใช่เป็นระดับของร่างกายอยู่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งระดับที่สามครับเป็นระดับหัวใจเป็นระดับของความร้อนรนหรือความรักที่อยู่ในระดับลึกคำอธิฐานในระดับหัวใจนี้มักจากอธิฐานในเวลาส่วนตัวบางคนอาจจะร้องไห้หรือบางคนอาจจะยินดีปรีดา หัวเราะได้หรือยิ้มได้หรือมีความรู้สึกปราบปลื้มใจที่นองครับตรงนี้นี่เองเป็นการอธิษฐานสามระดับมีคาแนะนําการอธิษฐานอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเราอธิษฐานนั้นขออย่าอธิษฐานในใจนะครับแต่ว่าให้เราอธิษฐานด้วยเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เบาขนาดไหนก็ตาม หรือว่าเป็นเสียงที่อาจจะแสดงถึงความร้อนรนความปิตินี่คือวิธีการอธิษฐานที่ได้รับคำแนะนำจากนักอธิษฐานพี่น้องครับให้เราตัดสินใจตั้งแต่เวลานี้นะครับที่จะเริ่มอธิษฐานกับอธิษฐานของพระเยซูในชุกวันตอนเช้าหรือเมื่อเราเดินไปทำงาน หรือระหว่างที่ขับรถอยู่หรือระหว่างที่กาลังทางานอยู่ให้เราอาธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูบ่อยๆครับเราจะสามารถที่จะใช้เวลากับพระเจ้าได้เราอาจจะพัฒนาฝึกรูปแบบสาหรับการอาธิษฐานในแต่ละวันเมื่อขับรถไปทางานแทนที่จะเปิดวิทยุทันทีก็ขอให้เราเริ่มต้นทาอธิษฐานพระเยซู เราอาจจะกำลังทำบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะต้องการกำลังการช่วยเหลือสำหรับบางสิ่งบางอย่างในแต่และวันนี่คือจุดเริ่มต้นครับพื่นทุกท่านให้เราอ่านช้าๆอ่านคำอธิษฐานด้วยความเคารพเพื่อจะเข้าใจความหมายเข้าใจคำทูลขอทั้งเจ็ดประการคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นจะสามารถแก้ปัญหา ประจำวันของเราได้เราจะต้องมองหาเวลาสแสวงหาเวลาที่เราจะอธิษฐานได้มากที่สุดครับถ้าเราตั้งใจอธิษฐานคาอธิษฐานของพระเยซูทุกวันในเวลาเดียวกันในสถานที่เดียวกันฝึกอธิษฐานจนเป็นนิสัยที่เราจะคุยกับพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตของเราที่เราจะนมัสการพระเจ้าอย่าลืมนะครับว่าคาอธิษฐานของพระเยซูนั้นเปรียบเสมือนกับบานพับครับ เป็นประตูสองบานที่มีบานพัดเชื่อมอยู่นะครับบานพับเชื่อมระหว่างประตูแรกก็คือประตูที่เกี่ยวข้องกับพัสริการถวายเกียรติแด่พระเจ้าส่วนประตูที่สองอีกด้านหนึ่งซึ่งถูกเชื่อมไว้ด้วยคําอธิษฐานวลีที่สี่นะครับก็คือต่อไปคือวลีที่ห้าหกเจ็ดนั้น ก็จะเป็นคําอธิษฐานวิงวอนเกี่ยวกับชีวิตของพวกเราพี่น้องครับในวันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันก็คือว่าเมื่อเราอธิษฐานคําอธิษฐานของพระเยซูที่มีคําวิงวอนหรือคําทูลขอเจ็ดประการนั้นเราจะได้ผลอย่างไรบ้างประการแรกครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พระ น, นามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเรากําลังนมัสการพระเจ้าอยู่ ชีวิตของเราจะเติบโตขึ้นในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าที่เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาพระเจ้าจะประทานบําเหน็จให้กับเราด้วยการทรงสถิตของพระองค์ที่เราจะประจักษ์แจ้งในพระธรรมฮีบรทที่สิบเอกหกนะครับบอกว่าเพราะว่าผู้ที่จะมาเข้าพระเจ้าใดนั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ พี่น้องครับที่นี่พูดชัดเจนนะครับว่าบำเหน็จที่เราจะได้รับเพราะการอธิษฐานการนมัสการมีค่ามากกว่าเงินทองทั้งหลายทุกอย่างมีค่ามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าจะทรงประทานบำเหน็จก็คือพระองค์เองครับให้เราประจักษ์ให้เราได้กราบนมัสการให้เราได้มีความมั่นใจมีความศรัทธาและ เราได้รับการท่งนําของพระองค์พี่น้องครับเราจะไม่มีวันชื่นชมกับการสถิตของพระเจ้าได้ตราบเมื่อเราไปมีชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าเลยเหมือนกับเด็กๆครับเวลาที่คุณพ่อตามหาลูกและลูกพบกับคุณพ่อถ้าเขามาจากครอบครัวที่อบอุ่นเขาจะมีความรู้สึกเฉย ว่าคุณพ่อตามหาเขาแต่เราจะรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญได้จนกว่าที่เราพบเด็กคนอื่นๆนะครับที่ไม่มีพ่อจะกลับมาหาทุกๆวันนี่คือสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่ต้องขอบคุณพระเจ้าประเด็นต่อไปประการที่สองครับเมื่อเราอิจฉาขอให้แผ่นดินของโรงคมาตั้งอยู่ และกำลังขอให้พระเจ้านำหลักการและแบบแผนของแผ่นดินของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับเมื่อเราใช้ชีวิตตามบทบัญญัติของแผ่นดินของพระเจ้าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเรารักบทบัญญัตินั้นธรรมบัญญัติของพระเจ้าและรักผู้ที่ประทานธรรมบัญญัตินั้นชีวิตของเรานะครับก็จะได้รับ ก, การพัฒนาจากการดำเนินชีวิตตามหลักลการนี้ขอให้แผ่นดินของพระองค์ มาตั้งอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ประการที่สามครับขอให้เป็นไปตามพระไัยของพรงะองค์เรากำลังขอพระเจ้าที่จะนำเราเข้าสู่แผนการและพระประสงค์ที่ดีเลิศในชีวิตของเราประการที่สี่ครับขอโปรดประทานอาหารประจำวันให้แก่เราในวันนี้ท่งหมายความว่าเรากำลังมอบร่างกายมอบความจำเป็นของชีวิตมอบสุขภาพและยอมรับการเลี้ยงดูของพระเจ้ายอมที่จะให้พระเจ้า พาเราไปที่ทุ่งหญ้าเขียวสดยังริม น, น้ำแดนสงบประการที่ห้าครับเมื่อเราอทิศฐานขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เราไม่เพียงแต่จะได้รับการยกโทษบาปแต่เรายังรู้สึกได้ทันทีครับว่าเมื่อเราได้รับการยกโทษบาปเราจะมีประสบการณ์การยกโทษเราจะมีความรู้สึกเป็นอิสรภาพออกจากการผูกมัดได้รับการปลดปล่อยแต่ที่สาคัญที่สุดก็คือ เราจะต้องรีเพนนะครับก็คือเราจะต้องกลับใจใหม่การที่หกครับเมื่อหลายอิสธานว่าขออย่านำข้าพคงเข้าไปการทดลองแล้วกํานังขอพระเจ้าให้ปกป้องเราจากเหตุการณ์หรือการวางกับดักวางหลุมพังของอำนาจมืดวิญญาณชั่วที่จะป้องกันนะครับขอพระเจ้าป้องกันเราที่จะออกจากเหตุการณ์เหล่านี้ หรือไม่ก็ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้ประการสุดท้ายครับประการที่เจ็ดเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายหรือซึ่งมารร้ายเราจะรับโล่ป้องกันนะครับโล่ป้องกันที่พระเจ้าให้กับเราชั้นชีวิตของเราในการต่อต้าเราจะรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าที่เราจะต่อต้านและต่อสู้กับมารซาตานในการปฏิบันการครับเราจะมีพระสิริของพระเจ้าคุ้มกันเราตลอดไป ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจและอธิษฐานมีวินัยในการสวมของพระเจ้าในช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้อาเมน